ท้านฟังที่เคารพคะท่านกำลงฟังรายการสันสีสนทนาดิฉันสัน ส, ส, สีนาดําเนินรายการค่ะและสถานีวิทยุแห่งนี้ก็คือ f m ฟเอซึ่งเป็นสถานีวิทยุที่มีสโลแกนว่าครอบครัวข่าวแต่วันนี้ก็เป็นข่าวเหมือนกันนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับคําสอนของพระศาสดาแล้วก็ยังจะได้ประโยชน์จากการที่จะรู้แง่มุมของการปฏิบัติให้ถูกต้องซึ่งวันนี้ ก็เป็นห่วงเวลาที่ท่านเนบญุวุณิพิปุโนจากวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีซึ่งท่านกำลังให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติจะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะในเรื่องของการปฏิบัติซึ่งดิฉันก็ได้ถามมาถึงตอนที่ว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยจะปรากฏอาการยกตัวอย่างเช่นการคันการม่วงการอะไรก็แล้วแต่จะต้องแก้ไขอ ย, อย่างไรทน หรือว่าทำวิธีแบบที่เราทํากันตามปกติในยามที่ไม่ได้นั่งสมาธิตอนนี้ก็ไปกราดน้อส ก, การพระอาจารย์เพื่อที่จะได้ถามคาถามกันตอบไปเลยนะคะน้อส ก, การ์กับท่านอาจารย์คะเชิญพานค่ะที่คุณยมติวพูดถึงข่าวนะค่ะเออก็วันนี้จะสอดคล้องกับพุทธวจนะตรงหนึ่งก่อนที่จะเราไปเข้าเรื่องปฏิบัตินะค่ะก็คือพระรชาพูดถึงการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นอันนี้ก็เป็นลักษณะของข่าวเหมือนกันใช่ไหมคะ และถ้าเราไม่มีโยนิสโสมนัสิการอันนี้จะเป็นไปเพื่อมิจฉาทิฏฐิทันทีนนในขณะเดียวกันการโฆษณาชวนเชื่อของชนเราอื่นแล้วก็ถ้าเรามีโยนิสโสมนัสิการอันนี้จะกลายเป็นสัมมาทิฏฐิทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราตัวคนฟังเองอ่ะต้องมีโยนิสโสมนัสิกานะเพราะฉะนั้นคือการฟังของคนอื่นนะไม่ะะอย่างตัวอาตมาเองตัวคุณยมติ๋วเองเนี่ยข้อความที่ออกไปจากจากตรงนี้หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตามเหอะ นะออกมาเนี่ยออกมาออกมานี่อันนี้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นนะคือหมายความว่าผู้จ่าก็จะชักชวนให้คนมามีศีลนํามาปฏิบัติสมาธิเหล่านี้แป็นปอชักชวนอย่างนี้แล้วเราทําไงเราต้องอยูนนิสสอมนสิการนะคือพิจรนารณาในลักษณะของริยฤษี ว, ว่าเหตุคืออะไรผลคืออะไรทำอะไรได้อะไรถ้าไม่ทําจะเป็นยังไงลักษณะ น, น, นี้เป็ตนต้นพอเราให้กลัวแล้วปุ๊บเราก็จะมีสมาธิติทันทีเช่นเดียวกันกับเรื่องที่เราพูดนี่แหละ นี่พระนั้นท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องไปเกรียดโกพิจารณาอยนิโสมนาสิการว่างั้นอท่านพิบูลคะ่ะตอนที่ท่านได้พูดถึงว่าการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นดิฉันเข้าใจว่าชนเหล่าอื่นนี่ต้องไม่ใช่แบบเราแต่นี่หรือว่าไม่ใช่แบบพระพุทธเจ้าแต่พอท่านพูดแบบนี้ดิฉันเข้าใจว่าแม้กระทั่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาตามหลักอริยรรสัจสี่ด้วยโยนิโสมนาสิการใช่แปลว่าอย่างนั้นเลยนะคะถูกต้องถูกต้อง ออค่ะอแล้วทีนี้หลักเกณฑ์ในการโยนิโสพระเช้าเาเคยให้ไว้ก็คือพูดถึงอริยสัจสีนั่นเองตามในยะนี้นะก็จะดังนั้นถ้าจะแปลคำว่าโยนิโสมนัติการตรงตตัวเนี่ยจะแปลว่าอย่างไรก็ไ้ก็ถ้าตามหลักของภาษาบาลีเขาก็จะแปลว่าการทำในใจโดยแยบคายทำในใจโดยแยบคายอค่ะทีนี้เรากลับมาถึงเรื่องการปฏิบัต นะซึ่งเรากำลังพูดถึงอยู่ว่าที่คุณยมติว๋วตั้งคำถามไปตั้งแต่ตอนแรกนะว่าสมมุติมันเกิดอาการขึ้นมาสักอย่า ง, างหนึ่งมีอาการคันมีอาการร้อนมีอาการหนาวมีอาการจี๊ดมีอาการาตกหน้าเหมือนตกลงเหมือนลอยขึ้นแรงต่างทั้งหมดเนี่ยเป็นอาการปรุงแต่งทางกายถูกไหมคันจมูกเนี่ยามาเป็นเป็นประจำเลยเหรือว่าเหมือนอะไรมาไตา เมือแมลงมาไตา่คอหรือเหมือนมดมาไตา่หลังมืออย่างเงี้ย <คะ S 1> พวกนี้เนี่ยนะเป็นลักษณะันเดียวกันดีว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วแล้วยังไงเราจะทําอย่างไรนะที่พระพุทธเจ้าแนะนําเอาพาอระพุทธเจ้าด็นแนะนําโดยตรง น, นะพระพุทธเจ้าพูดถึงหลักเกณฑ์ก่อนว่ามาตรฐานของการทําสมาธิของพรุทธเจ้าเนี่ยนะคือเป็นผู้ที่มีกายสังขารนิรงัพกายสังขารหมายถึงการปรุงแต่งทางกาย กายสังขารคือการปรุงแต่งทางกายให้ระงับคุญย์มิ๋วให้ระงับหมานควาว่านิ่งนิ่งไม่ไหวติ่งนิ่งอ่ะนิ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะเราจะไปเ่าเนี้ยมันก็จะมีหลักที่พุทธเจ้ให้ไว้เราทําไงเรานิ่งถามว่านิ่งแล้วจะได้ประโยชน์อะไรทําไมไม่เกานิ่งไงคือประเด็นถ้าว่าถ้าบอกว่าเรากล่าวนั่นคือเราตอบสนองกับสิ่งเราตามที่มันต้องการ นะคือมันมันคันใช่ไหมเราต้องเกาคนทั่วโลกเขาทากันอย่างนี้นะคุณยมเตรียมติเข้าใจนะคนทั่วโลกเขาทำกันอย่างนี้ใช่คันปุ๊บเกาทีนี้ถ้าเบื่อเราไปเกาอยู่ตอนที่เราพูดอยู่หน้าที่ชุมชนเป็นยังไงคุณยมติเคยฝึกการพูดหน้าที่ชุมชนถูกไหมเขาต้องบอกเกาล้วงแค่กแกะเกาพวกนี้ห้ามเลยถ้าคุณคพูดขึ้นสเตจขึ้นโบเดียมเอามือล้วงกระเป๋าเขาต้องมาตีมือเลยสมัยก่อนอาตมาเรียนเนี่ยเกาตรงนั้นเกาตรงนี้ไม่ได้เลยแล้วก็ แค่จมูกโอ้โ ห, หน่าเกลียดมากมากเลยเขาก็จะนับจํานวนครั้งที่เราทําพวกนี้เราจะต้องคอยมีสติว่าเราไม่ทำนะเช่นเดียวกันถามว่าทำแล้วเป็นยังไงนั่นคือเราตอบสนองไปตามสิ่งที่มากระทบอันนี้เป็นพลังอันเดียวกันกันกบที่ว่าเวลาเขาด่าเราปุ๊บเราจีด๊ดนี่แหละมันไม่ดีเราตอบสนองกับสิ่งที่มากระทบอย่างที่เขาต้องการให้เราเป็นเขาชมเราไว้เราลอยขึ้นเลย และเป็นอันเดียวกันกับที่เมื่อเวลาคันปุ๊บเราเก่าคุณโยมถิ๋วเข้าใจสภาวะจิตตรงนี้นะว่ามันเป็นจิตอันเดียวกันที่มันบังคับให้เราทําอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราไม่ทําทําไมถึงเราไม่ทําเพราะเราเห็นตามที่เป็นจริงว่ามันไม่มีอะไรเราก็ไม่ทําก็ได้ฉันจะเก่าหรือฉันจะไม่เก่าก็ได้ฉันก็ตัดสินใจเอาเองแต่ฉันไม่เก่าทีนี้พอมีคนมาด่าเราให้เราไม่รู้จะด่าเขาตอบทำไมเราก็นิ่งๆไว้มีคนมาชมเรา แล้เราก็ไม่รู้จะลอยไหนไปไหนมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราก็สบายใจมันเป็นอย่างนี้ไงคือเป็นลักษณะอันเดียวกันกันกบที่จะทําให้จริงของเราเนี่ยควบคุมจริงของเราอยู่ได้ไม่ตกเป็นาธาตุของสิ่งที่มากระทบว่า ง, งั้นค่ะก็สรุปแล้วว่าให้อดทนถ้านั่งสมาธิแล้วมีการปรุงแต่งทางสังขาร ใ, ในลักษณะต่างๆไม่ต้องไปเกาไม่ต้องไปอ่าแก้ไข ตามวิถีเหมือนกับคนปกติธรรมดาทั่วไปทํากันอืมทีนี้มันมีอยู่สองประการตรงนี้สมมติว่าคุณอดทนอดทนแล้วมันยังอ้โหขับแค้นใจมากด้วยผมทรมานนะคะทรมาน <ไป S 2> มากาาเลยโอ้โหมันไม่ไหวเลยมันจะต้องเกาอ่ะไม่เกาไม่ได้เลยแต่ไม่ต้องให้ฉันมาทนมันเหมือนกับบีบบังคับใจกันจริงๆเลยอันนี้คือประการที่หนึ่งหรือประการที่สองทางเรื่องมันมีนะ ปรการที่2คือบางทีเราคันอยู่แต่ว่าเราเอ๊ะเราก็มเม่นต้องทนอะไรเราก็ไปเอาใจไปไว้เรื่องอื่นมันก็หายคันไปเองคือชนิดที่ว่าจะทนแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องทรมานก็มีนะคือหมายความว่ามันมี2วิธีคือเวลาความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราเอาจิตของเราไปไว้ที่ความรู้สึกนั้นในกรณีนี้คือทุกขเวทนาถูกไหมความรู้สึกที่เราไม่ชอบไม่ชอบม า, มากเลยอาการอย่างนี้ ในสัมผัสตรงนี้เป็นอาการคันเนี่ยฉันไม่ชอบเป็นทุกขเวทนาปุ๊บถ้าเราเอาจิตของเราไปจี้ไว้ตรงทุกขเวทนานะมันก็จะทํางานได้เหมือนกันมันก็จะเวิร์กได้เหมือนกันถ้าเราเห็นทุกขเวทนานั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหัวฝีเป็นโรคนะเราก็ปล่อยวางสายเห็นความไม่เที่ยงของทุกขเวทนานั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็จะอคืคุณก็จะทรมานคุณก็จะแบบมีความที่ต้องทนอ่ะเห็นไหมมี เพื่อนบางคนเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเวลาเจออาการแบบเนี้ยปวดของเขาจะปวดอะไรใช่ไหมคะใช่ใช่เขาบอกว่าเขาก็บอกกับตัวเองนะตายเป็นตายสู้เขาบอกสุดท้ายก็ชนะแล้วเรื่องเดียวกันไหมคะเนี่ยถูกต้องคือขี้มันเข้าไปดูมันเข้าไปเพ่งมันลงไปมันจะเหลืออะไรมีอะไรให้เราจับต้องได้ไหมดูดูดีดีไม่มีนะถ้าคุณดูดีๆนะไม่มีจริงจนะวางซะคุณจะชนะ อ, นนอันนี้เท่ากับเป็นวิธีแรกทุกขาปฏิปทาใช่ทุกขาปฏิปทาแต่ถ้าไม่ชอบทุกขาค่ ะ, คะท่านคะทําได้เหมือนกันอีกอันหนึ่งคือเราจิตไปไว้ที่อื่นเลยเราจิตไว้ที่ลมาใจอย่างเดียวแไม่สนใจอะไรจะเกิดขึ้นเราเอาไว้ลมหายใจอย่างเดียวองเดียวลมายใจนี่อุเบกขานะนี่ออกมาคือไม่มีความรู้สึกใดๆเราก็อุเบกข า, างี้เดียวไม่สนใจสิ่งที่มันกระทบฉันสบายใจอยู่ตรงนี้อะไรมากก็ไม่สนอันนี้คือสบายเลยนี่คือสุขขาปฏิปทา เดี๋ยวมันก็หายไปเองไอ้สิ่งที่คันเคินอะไรพวกนี้อ๋องั้นจะว่าไปก็คือถ้าไม่ต้องจดจำอะไรมากเข้าใจแต่ว่าให้ยึดลมหายใจสังเกตลมหายใจ อ, อย่างเดียวใช่ใช่ไม่ยืดไม่ยืดค่ะสิ่งเหล่านี้ก็จะผ่านไปได้ใช่แล้วก็ไม่ต้องไปคิดหาวิธีอื่นก็อันนี้เป็นพุทวิชนะที่พุชเจ้าพูดถึงปฏิปทา ในการที่จะทําไอ้ปัญหาต่างๆของเราให้สิ้นสุดไปได้เนะี่ยก็มีสุขปฏิปตาทุกขปฏิปทานั่นเองค่ะนี่นี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญและเรื่องที่จําเป็นเพราะโอกาสที่จะเจอกันคุยมาส่วนใหญ่ก็จะเจอกันซึ่ทั้งนั้นแต่คนละรูปแบบอื ม, มีแปลกๆมากๆไหมคะที่มาปรึกษาท่านอาจารย์เนี่ยค่ะก็ถ้าพูดถึงแปลกนี่ยังไงล่ะแปลก เหมือนกับประสบการณ์เขาไม่ใช่แค่คันธรรมดาอ๋<ม> อ, อก็จะแบบว่าพวกอ่มีเจ้าเข้าทซงอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะอ่าเป็นลักษณะนี้ก็มีเหมือนมีของมีอะไรอย่างงี้ก็ก็ลักษณะเดียวกันนะคือว่าเราไม่ไหลไปตามสิ่งที่มามาดึงเราไปไม่ไหลไปตามสิ่งที่เรามากระทบคือต้องประคองสติของเราสติของเราเนี่ยจะเป็นตัวรักษาจิตของเราอย่างมากๆเลยนะคือถ้าเราเผลอสติหรือเรายอม ให้สิ่งนั้นมาอย่างเงี้ยเราก็ชื่อว่าคุณยอมแล้วคุณแพ้แล้วคุณก็ตกอยู่ในอำนาจของเขาในกรณีขันอย่างเงี้ยก็คือตกอยู่ในอำนาจของพระสะในกรณีมีใครมาเข้าสิงหรือว่าเป็นร่างเข้าทรงคุณก็ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้นที่มาอย่างเงี้ยปเด็นเราก็คือว่าคือเราไม่ใช่ว่าจะต้องฝืนนะฝืนในที่นี้คือหมายความว่าเราไม่ได้บังคับแต่ว่าเราให้สังเกตจุดๆเดียวเท่านั้นเองคือเราถ้าจะพูดก็คือว่า ฝืนเรื่องความชั่วไม่ให้จิตของเราไหลไปทางต่านะถ้าจะพูดถึงเรื่องความที่ให้ทรงจิตไว้อย่างดีไม่ต้องฝืนก็คือว่าให้เราทรงไวในความดีเราไม่ต้องฝืนทำตรงนี้ใน <Okay. S 1> ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออะไรก็คือมีลมหายใจเนี่ยเป็นหลักนะเป็นเสาเกินเสาหลักที่ที่ให้เรามาสังเกตตรงนี้ประเด็นเรื่องที่เรามารู้ลมหายใจเนี่ย ถ้าจะพูดถึงมันก็มีรายละเอียดมากนรายละเอียดมากแล้วก็เลยเลยมีลักษณะว่าจริงๆถ้าพูดถึงคนเก่าเนี่ยนะที่เขาเคยมาปฏิบัติหลายรอบแล้วเนี่ยเขาฟังคอร์สปกติไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีความเข้าใจในระดับนี้เหมือนกันคือไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องมารอเข้าหลักสูตรคนเก่าอย่างเดียวถึงจะได้ได้ข้อมูลพวกนี้ก็ถ้าคุณฟังซ้ำซํำๆไปเนี่ยมันก็จะมีโผล่ตรงนั้นปูดตรงนี้เราก็จะมีความเข้าใจไปได้นะ นะถ้าไม่งั้นธรรมะของผู้ชอบแม่บทเดียวนะก็จะไม่ทำให้คนบรรลุได้แต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นนึออกเนาค่ะค็นี้เรียกว่าแม่บทเดียวก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ไปจนถึงปลายทางแต่าชานลึกซึ้งลงไปได้เ่ราะงั้นค่ะคือขอให้เราเชื่ออย่างหลังจากอยู่นิสมนสิการแล้วถูกไหมคะใช่ใช่เมื่อ เมื่อเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ลองปฏิบัติไปทีนี้อย่างกรณีว่าที่ที่เรามาแบ่งปันในรายการนี่ก็เพราะว่าบางทีเราไม่ได้มีโอกาสปฏิบัติมากเท่าไหร่เรายังไม่ได้ฝึกซ้อมให้ชินชาใช่ปะ่ะเราก็จะไม่เห็นประเด็นพวกนี้ก็เลยมาชีน้นํากันนิดนึงเสร็จแล้วคุณต้องไปทํานะคือฟังแล้วก็สบายใจแล้วก็โอเคเลิกไม่ได้นะต้องไปปฏิบัตินะแต่ดิฉันเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์กำลังพูดเนี่ยจะต้อง เข้าใจสำหรับคนที่ปฏิบัตินะคะถึงจะอ๋อใช่ใช่ใช่ชถ้าคนไม่เคยปฏิบัติก็ยังอาจจะไม่เข้าใจอ่าปากวอลอยู่ครับประสบการณ์ไม่จําเป็นต้องสะสมนานนะนะคะอลองเริ่มต้นได้เลยถ้าอาจารย์คิดเหมือนกันกับ ท, ที่เพืนคิดไหมคะว่าลองเริ่มในทดลองเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ในระหว่างที่ถ้าอาจารย์ยังทํารายการอยู่เนี่ยว่าเมื่อท่านพยายานที่จะรู้ลมหายใจแล้วสามารถรู้ก็ไปได้ตลอดไหม มีปรากฏการณ์ว่ามีความคิดค่อยๆโผล่เข้ามาตอนแรกน้อยหน่อยหนักๆเข้าหนักหน่อยเนี่ยไหมค่ะตรงนี้มันเป็นลักษณะของจิตที่ทํางานเป็นเป็นเป็นลักษณะดวงดวงน ะ, ค, ะคือคือเราเราคืจะไม่เห็นเป็นดวงดวงหรอกเพราะมันเป็นจิตของเราเองแต่ว่าไอ้จิตที่เข้าไปรู้ลมหายใจเนี่ยมันก็อันหนึ่งจิตที่เข้าไปรู้สิ่งอื่นมันก็อันหนึ่งไอ้จิตนั้นเนี่ยการรับรู้ของเราก็จะไปอยู่ในตรงนั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น การรับรู้ของเราก็จะมาอยู่ตรงลมหายใจน้อยลงน้อยลงน้อลงนั่นคือลักษณะของการรับรู้ที่เป็นคนระดวงพอน้อยจนกระทั่งหมดดับไปแล้วนั่นคือจิตของเราตายแล้วจากลมหายใจไปเกิดใหม่คือคือลักษณะที่เรายังอยู่ลมหายใจแรกๆเนี่ยนะก็มีการเกิดใหม่ในความรู้นั่นแหละใช่ไหมคือมีการเกิดละทีนี้พอเรารู้มากขึ้นปรุงแต่งมากขึ้นอันนั้นโตมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งไอความรู้ในลมหายใจของเราตายไปนั่นคือวิญญาณของเราตายแล้วจากลมหายใจ นกาเกิดและก็ตายอย่างนี้ค่ะนะคะก็วันนี้คิดว่าเดี๋ยวใช้ความรู้เท่าที่ได้ไปลองปฏิบัติและพิจารณาดูแล้วก็นําสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้มาอธิบายไปประกอบแต่ฉันเชื่อว่าเพียงพอกับเวลาอีกหนึ่งวันที่เผื่อวันพรุ่งนี้ยังมีอะไรที่ท่านพบูธบ์จะมาบอกกับพวกเรากันได้อีกนะคะจะได้ไม่เป็นการยัดเยียด มากเกินไปวันนี้ก็ต้องกราบมหัศ ก, การขอบพระคุณท่านพบูลเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จัลสละเวลาในช่วงคอสปฏิบัติซึ่งเรียนทราว่าท่านเหนื่อยมากสงสัย ไ, ไม่ได้หยุดเลยมั้งคะเนี่ย <c oughs> เ, พเพราะว่าพอว่างปุ๊บก็ต้องมาบันทึกเสียงในการเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะคะกราบมหัส ก, การขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งเลยคะ่ะข้าท่านฟังที่รบค่ะและเนี่ยนะคะพระอาจารย์ก็พยายามที่จะให้ความรู้กับพวกเราอย่างสม่ําเสมอแม้ว่าจ ะ, ะมีเวลา น้อยอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะให้รายการสัมมนาสนท น, นานี้ดาเนินไปอย่างเรียบร้อยราบรื่นท่านทั้งหลายมีโอกาสดีนะคะวันละประมาณครึ่งชั่วโมงของวันทำงานคือจันถึงศุกร์พรุ่งนี้เราก็ยังมีโอกาสที่จะมาฟังกันใหม่อีกและอย่าลืมไปทบทวนสิ่งที่ได้ศึกษาไปต้องถือว่าร่ำคามากนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดีท่านควรที่จะเข้าถึง พุทธวจนะของพระศาสดาซึ่งเรามีหนังสือแจกให้กับท่านอยู่เป็นประจำในทุกๆวันวันละสามเล่มอภินันทนาการจากพระอาจารย์คริสติโสธิพโลท่านเจ้าวัดวนาปพงลำลูกกาคลองสิบที่หมายเลข 02.269.0006 หค่ะหมายเลขเดียวกันนี้ท่านถามคำถามมาที่พระอาจารย์เบูรณ์ก็ได้ในขณะเดียวกันท่านจะถามไปที่ท่านเบูบุ์ที่ อินเทอร์เน็ตนะคะส่งไปที่เพียวธรรม a c o m s l a s h 1 0 6ค่ะวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทวัดสวัสดีค่ะ